กุฑัญสตรีค่ะท่านฟังที่เคารพคะเรามาถึงเวลาของรายการที่จะได้สนทนาธรรมกับพระไพบูลย์ FM 106 ในราย FM 106 นี้ก็ ใครที่ติดตามข่าวช่วงนี้ก็อาจจะได้ยินอยู่บ่อยหน่อยสําหรับงานบุญใหญ่ที่คนร่วม ในส่วนการทํา 10 บาทอะไรเงี้ยนะคะและณวันเนี้ยในส่วนทองคําเนี่ยได้ครบถ้าหากว่า มากขึ้นก็น่าจะอ่าทําให้ศรัทธาของเราในบริบูรณ์มากขึ้นนะคะ เลยเกริ่นในการซะยาวแต่ว่าท่านคงได้ฟังอยู่ด้วยนะคะ<อ> ก็จะเจดีย์สถานเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้เลยนะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยยังไว้ให้ๆเหล่านี้ดังถ้าใครเที่ยวไปตามเจดีย์ กัมพูชาถูกมั้ยครับที่ตําบลขยานะตอนนั้นสมัยก่อน เดินทางมาๆจาริกไปตามลําดับนั้นจนไปทั้งถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคมนั้นก็พักอยู่ที่ตําบลนั้นและได้พบพื้น กองกุเลบทแห่งที่ต้องการด้วยความเพียรนั้นถ้าใครได้เคยไปตรงมีแม่น้ําเนรัญชราใช่มั้ยแล้วก็<แ> นั่นก็ไม่ประสบความสําเร็จ 6 กิโลเมตรจากจากจุดที่ นะทําความเพียรในที่นี้หมายถึงทําทุกกรกิริยานั่นเองอย่างพวกข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์นะใช้คําให้ถูกหน่อยดีเช่นว่าปล่อยกายไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นนัก บางทีเมื่อกินมื้อละคํากินมื้อละ 2 คํานั้นคือปฏิบัติความเพียรอย่างรูปแบบต่างๆที่เขานิยมกันในสมัยก่อนนะไว้ผมยาวบ้างไว้ นักบวชที่เขาจะมีไม้กวาดอยู่ไปแล้วก็เดินไปนั่นคือกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไป elaaiz hahaha ハ r e b r i t r e r e p o t thiski to beiction in the grim she galls diet i t i saw that at the plate just let me know here are littors at the end of the time emmige aşağı improbent cos she tends to look like at a full price ître vide nich해보 at all of thej is look for ç l when you leave go back and write after the flipping machine Can you find the code go back and think if you like the code บริษัทยังตอนนั้นก็เป็นอยู่ในที่นั้นนะเอาความอบอุ่นของโคอยู่ด้วยนะรับประทานอุจจาระของลูกวัวที่ นะก็อยู่อย่างงั้นมันกินเอานี่เป็นอาหารค่ะเอ่อบางทีก็ไปอยู่ นะ, กลางคืนไปอยู่ในป่านะให้มันร้อนซึ่งเพื่อที่หาหาความสงบในใจนั่นคือหาทางที่จะทําให้ นะหมดความทุกข์ซะทีนะโดยทําตัวเองๆยังไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าเลย นะซึ่งโภชิตเคยลองทํามาละไม่เวิร์คค่ะค่ะนะตรงนี้คือ กินผลกระบาวเนี่ยเป็นอาหารนะมีกินมัลละผลบางทีกินมาละนิด เอ่อข้อปฏิบัติที่ยิ่งยวดและยังมีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติด้วยการ <Okay. S 1> แต่ถ้าตัวคุณเองคุณจะกลั้นหายใจเอง ตัวร่างกายร้อนนั่นคือทดลองวิธีการนี้เนี่ยเค้าเรียกว่าเอ่อข่มจิตด้วย<ใช>อย 5 อย่าง นะซึ่งเป็นขั้น 1 ถ้าคุณ 2 ถ้าคุณยังทําไม่ได้คุณ 4 ขั้นนี้สิคุณยังละอกุศลไม่ได้คุณต้องค่ะนั้น นะไอ้กิเลสมันก็ยังไม่ออกไปจากใจนี่ก็ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคือก็เลยเปลี่ยนวิธีเอางี้เอาที่ อยู่ในเครื่องสูบอย Dark Vader เรื่อง Star Wars นะที่มันจะหายใจฟึดฟาดฟึดฟาดก็คงจะดัง ไปที่พื้นทองนะเหมือนกับคือพื้นทองนี่ปูหวัดที่ทองนั้นก็ลองทําอย่างงี้นั้นแล้วก็ทําอีกทําแบบเดิม เราแต่ว่าไม่ตายไปหมดเพราะว่าลมมันระบายออกไม่ได้ เพราะว่าเวลาก็มีจํากัดนะคะท่านฟังเอ่ออันนี้ที่ สืบเนื่องจากโครงการห่มทองคําเจดีย์ยอดพุทธคยาที่คนค่ะเรียนบานค่ะ um <Yeah, mine. S 2> FM 106 วัน